Book 2 <35. S> 3ส30 i 8รีดซตออสในรถแท็กซี่อุตัคซิช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยค่ะโอลิมอ a ัสป๊อซววตัทกซี่ ไปสถานีราคาเท่าไรคะไปสนามบินราคาเท่าไรคะคกรุณ า, э า, าตรงไปค่ปะคกรุณาช่วยเลี้ยวขวาตรงนี้ค่ะ โอวียดีสโน่มอลิมการุณาช่วยเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมค่ะ t a าม na น้ามุมเลี้ยวโมลิมดิฉันรีบเมนิเซจูริดิฉันมีเวลายอมรมนา การุณาขับช้าลงได้ไหมคะข อ, อ, อร้องค่ะขับเร็วหนอยการุณาจอดรถที่นี่คะ่ะขอร้องค่ะการุณารอสักครู่นะคะขอร้องค่ะเดี๋ยวดิฉันกลับมาคะ่ะ Ah se ขอใบเสร็จให้ดิฉันด้วยนะคะได้แต่มีราชุนโมลิดิฉันไม่มีเงินทอนเนมม์ซิ t โนไม่เป็นไรที่เหลือนี้ให้คุณค่ะอูเรดูเยโ t สตาต์กี้ซาวส ขับไปส่งดิฉันตามที่อยู่นี้ค่ะ do adresse ขับไปส่งที่โรงแรมของดิฉันด้วยค่ะ do mon ขับไปส่งดิฉันที่ชายหาดค่ะ de me pla